ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรัตนสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนและสังครัตนะที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นบทต่อไปหลายบทด้วยกันที่ไม่ได้นำมาสวดในพิธีมงคลปัจจุบัน เป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากับคุณของพระสงฆ์เป็นหลักแต่เน้เนไปในด้านของการอธิบายคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นจะเห็นว่าเริ่มต้นมาข้อแรกก็พูดเกี่ยวกับเทพทั้งหลายข้อที่สองก็พูดถึงรัตนาทั้งหลายข้อที่สามก็พูดถึงรัตนา ข้อที่4ก็พูดถึงธรรมารตนะก็พูดถึงสังการตนะในข้อต่อไปท่านขึ้นบทป ร, รีว่ายะถินตะขีโลปัทวิงสิโตศิยาเป็นต้นซึ่งเป็นบทที่ไม่ได้ใช้สวดในพิธีมงคลเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของพระอระหันต์ทั้งหลายที่เมื่อท่านได้รู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการแล้ว ท่านก็เป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบคือหมายความว่าจะเห็นรูปด้วยตายินเสียงด้วยหูสูดลมกลิ่นด้วยจมูกริมรดีริ น, ลนและถูกต้องกายออถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจจิตใจของท่านก็จะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่สรุปรวมท่านสรุปรวมในที่นี้ว่าคือโลกธรรม ไม่หวั่นไหวในรูกกรรมทั้ง8ประการเมื่อก็เสาเขื่อนคือเสาเสาใหญ่ๆฮะเสาเขื่อนสมัยโบราณก็ตอกริมริมแม่นม้ำาริบท่าเสาขนาดใหญ่ตอกลงไปใลรจะไปะโยก ค, ครอนอย่างไรก็ไม่ไม่หวั่นไปเะนนั้นนี่เป็นการแสดงถึงสภาพจิตของคนซึ่งตามปกติแล้วสภาพจิตของคนโดยทั่วไปก็จะหวั่นไหวในอารมณ์ เวลาประสบกาอารมณ์คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็จะเกิดส่วนมากแล้วมกกักจะสองลักษณะแต่ตามปกติก็เกิดในสามลักษณะคือกำหนดว่าพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยแต่ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะเฉยเฉยแต่ไม่ได้เฉยโดยธรรมดาคือเฉยอย่างรู้ทัน เวลาเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นความรู้ก็ทันอยู่ทันทีนั่นเองคือทันกันไปเลยอย่างที่ทรงแสดงไว้ในโล ก, กธรรมมาสูตรว่าพระรีเจ้าทำหลายกับปุตุชนนั้นคือเกี่ยวข้องกับโล ก, กธรรมคือมีลาบเสริมลาบมียศเสริญยบ เ, เสริมเสริญยศสรเสริญนินทาและสุขทุกข์เหมือนกันแต่ข้อที่แตกต่างกันนั้น พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ปุตตุชนซึ่งไม่ได้สดดับธรรรมมของะะยไไ่้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติธรรมของพระอริยนั้น เ, เวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าตนพอใจก็สนุกสนานกันใหญ่แต่สิ่งที่ตนพอใจเกิดเปลี่ยนแปลงไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียสสใจแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ใต้ที่ตนไม่พอใจก็เกิดทุกขโท ม, มนัสเสียใจ พอสิ่งที่ตนไม่พอใจเกิดเปลี่ยนแปลงพินาศไปก็ดี อ, อกดีใจคือดูแล้วก็ขำดคีคือเราจะเห็นว่าไอ้ความดีใจความเสียใจนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรเกิดอะไรดับแต่มันขึ้นอยู่กับเรากำหนดสิ่งนั้นอย่างไรแต่นั้นเองบาทีสิ่งที่เกิดขึ้นเราดีใจก็มีเสียใจก็มีสิ่งที่ดับไปเราดีใจก็มีเสียใจก็มี ก็ไม่ใช่ว่าดัดบไปเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปจะต้องเสียใจเสมอไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับการกําหนดวัตถุหรืออารมณ์เหล่านั้นทน่านเองแต่พระรีเจ้านั้นท่านก็มียานคือความรู้ที่เกิดขึ้นทันพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นชันหนึ่งก็สักแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสหัวตาพระ ใชั้นหนึ่งก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปนี่ก็คือจุดของความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพ ร, ริยชนแต่การนี้เป็นอุปมาสเสาเขื่อนนะฮะบางทีที่อุปมาสเสาเขื่อนเพราะเราเจะพบว่าพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตลิง่ง คือลงที่ตะลิงอีกด้านหนึ่งแล้วขึ้นที่ตลิงอีกด้านหนึ่งก็เจอเสาเขื่อนกันหลายเสาเงาพูดง่ายแต่บางทีพระองค์ก็แสดงว่าเป็นเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบเหมือนก้อนหินเหมือนอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ตรงไหนนะฮะจะเอาอะไรเป็นอุปมาได้ก็ใช้สิ่งเหล่านั้นในข้อต่อไปเราก็จบลงเหมือนกันคือตอนตอนจบจบลงในช่วงสุดท้ายนี้ก็ เหมือนกันว่าแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคําสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเอเตนสัตจวัฒเชนะเอเตนสัจเจนะสวัสดิโหตุนั่นก็ว่าทุกที่ะว่าทีระบททีละบทแล้วก็จบลงด้วยอย่างนั้นคล้ายคกับมงคลสูปที่จบลด้วยคําว่าเอตมังคัลมุตตมังอันนี้ก็เป็นมงคลอุดมแล้ขึ้นต้นหม่แล้วก็จบลงด้วยคําเดิม เป็นการแสดงถึงมงคลในแต่ละระดับนี้เป็นการแสดงถึงความจริงในแต่ละระดับในข้อต่อไปก็แสดงว่าพระโสดาบันจาพวกใดกระทําให้แจ้งอยู่ซึ่งรรยาสัตร์ทางหลายอันราสาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงดีแล้วพระโสดาบันจาพวกนั้นยังเป็นผู้ประมาทอยู่ก็ตามถึงกระนั้นท่านก็ย่อมไม่ถือเอาภพที่8แม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันประณีต ในพระสงฆ์แล้วก็จบลงเหมือนกันอันนี้แสดงลักษณะของพระโสดาบันในส่วนเหตุพระโสดาบันในส่วนเหตุพระโสดาบันนั้นแปลว่าพูดถึงกระแสพูดถึงกระแสของอะไรคือกระแสของนิพพานหรืออาจจะถึงฝั่งคือนิพพานก็ได้อาจจะพูดถึงว่าถึงฝั่งก็ได้เพราะเราเราเราพูดพ่วงน้ําว่าเป็นกิเลสนะฮะกิเลสเนี่เป็นดุดพ่วงน้ำเขาเรียกว่าโอคะ เมื่อคนว่ายข้ามกระแสน้ําขึ้นไปได้ก็เรียกว่าคือขึ้นถึงเหยียบตะลิงได้ก็เรียกว่าโสดาบั น, น, นพ้นกระแสไปทีนี้การพน้นการเป็นรโสดาบันหรือพระเรียบุคคลชั้นใดก็าตามต้องไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นจตสรุอริยสัจสี่และลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกส่วนทุกคนทุกทุกหมู่เหล่าทุกระดับนะฮะก็ต้องรู้อริยสัจสีทั้งนั้น อริยสัจสเป็นกฎที่ครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไว้ทั้งหมดนะไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามสามารถสงเคราะห์รวมลงที่อริยสัจสีได้ทั้งหมดพระโสะดาบันเองท่านก็รู้แจ้งอริยสัจสี่เรื่การรู้แจ้งอริยสัจสีนั้นก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าเป็นการรู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ ท, ท่องท่องได้ไป เป็นการรู้ด้วยญาณเกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนเกิดความรู้ผุดขึ้นภายในใจเห็นความจริงในอริยสัจทีนี้ตัวความรู้ซึ่งเหมือนกับแสงสว่างที่ทำหน้าที่ขจัดอวิชานั้นแล้วก็เหมือนกระจุดเทียนนั่นแหละคือว่าไม่รู้เทียนมันขนาดไหนสว่างได้ขนาดไหนก็ขจัดความมืดได้ขนาดนั้นเพราะในขนาดพระโสดาบันเนี่ย ก็เป็นการรู้อริยสัจระดับหนึ่งเป็นญาณคือความรู้ในชั้นหนึ่งเป็นแสงสว่างขึ้นมาชั้นหนึ่งกระจัดได้ความมืดได้ชั้นหนึ่งโดยกระจัดจริง3ประการออกไปที่ทรงแสดงในตอนหลังว่าแสดงเห็นว่าการเป็นพระยาบุคคลถ้าระดับโสรอรหรันก็ต้องรู้อริยสัจ4ี่ซ้อนซ้อนกัน4ครั้ง4ระดับเลยแลจึงจะเป็นพระหันไปได้ ทีนี้ท่านก็ยังคงประมาทฮะยังแบบชาวบ้านแถวบ้านก็ดูไม่ค่อยออกยังมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีร้องข่มร้องให้มีธรรมมาค้าขายแบบชาวบ้านแถวบ้านทั่วๆไปลูกหลานตาก็ยังร้องไห้อยู่นะแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันจนบ้านพังอะไรนั่นนั้นอะไรก็ดีๆหน่อยเครองเรือนเหมือนกันแล้วก็ยังมีลักษณะครองเรือนที่ประนีดขึ้น แต่บางครั้งบางคราวบางท่านอย่างพระนางไออย่างนางมหาสุพัฒนาลูกสาวนาตบินธิกาเศรษฐีหรือว่านางวิสาขามหมาบ่าศิการเนี่ยท่านก็เป็นวิโสดาบันตั้งแต่ยังสาวทั้งคู่านางวิสาขานี้เป็นตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลยท่านไปแต่เวลาแต่งงานก็ไปได้ผัวม่ฉาทิฐิท่านก็ไปอยู่กับท่านได้แล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขจนผัวทั้งสองรายนะฮะจริงๆก็หลายรายเป็น สมาธิิไปหมดเลยนี่ก็แสดงว่าเป็นเป็นเป็นชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านนะฮะไอความเป็นพระโสดาบาันนั้นอยู่ที่ใจไม่มีใครรู้ท่านนะ่ะตั้งก็ไม่แสดงอะไรออกมาข้างนอกมาพูดภาษาชาวโลกสื่อความหมายกันแบบชาวโลกวิถีชีวิตก็แบบชาวโลกยังประมาทยังประมาทอยู่แต่เขาเรียกว่าทำบาปบ้าง ยังทำบาปเล็กๆน้อยเหมือนกันที่อาารใช้คาว่ายังประมาทอยู่แต่จะไม่เกิดในคันอีกเป็นครั้งที่ไม่ใช่คือไม่เกิดในภพนะฮะไม่เกิดในภพกรมภพรูปภพอรูปภพก็ตามจะไม่เกิดเป็นครั้งที่8ปดหมายความว่าตายไปแล้วเนี่ยที่พระโสะดาบันที่ยําแย่ที่สุดนะฮะจะไม่เกิดเป็นครั้งที่8ดคือจะเกิดอีกไม่เกินเจดครั้งเท่านั้นเอง ครังนี้ท่านจาแนกพระโสะดาบันออกไปเป็น3ประเภทปเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกพีสคือเกิดอีกชาติเดียวประเภทที่2เรียกว่าโกลังโกละคือเกิดอีก2ชาตจาิจากโกละมาสู่โกละนะคือก็เป็นจำนวนบารีคือหมายความว่าตายไปเนี่ยฮะแล้วจะไปเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วจะเกิดอีกชาติหนึ่งจึงจะบรรลุมรรคผลถ้าถามว่าเกิดที่ไหนล่ะ บาลีท่านบอกแต่ว่าเดวามนุษย์เสสุสังสรันโตคือต้องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นท่านไม่เกิดเป็นพรหมแน่นะคฮะเพราะเกิดเป็นพรหมมันเสียเวลาเยอะเลก็ต้อเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์ยิ่งเกิดมนุษย์ยิ่งดีอายุน้อยหน่อยบรรลุอรหัตเร็วขึ้นก็คือเทวดาเนี่ยไปอยู่จะนานเพลินกว่าจะได้บรรลุเพื่อนบรรลุหายไปหมดอ่ะประเภทต่อไปเรียกว่าสัตตุกสัตตกัตตุปรมะ สัตตุปรมานั้นหมายความว่าเกิดอีกเจชาติเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเจดชาติเสมอไปก็อยู่ที่ความเพียรพยายามในแต่ละชาติของท่านอาจจะสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติหรือเจดชาติแต่ไม่มีชาติที่แปดจะไม่อยู่ถึงอีกถึงถึงแปดชาติก็เป็นผู้ที่แน่นอนต่อการตรัสรู้นะฮะแน่นอนต่อการบรรลุอรหันต์เป็นพระหัน์ไปเลย ไม่ได้เหมือนกับปุถุชนเราปุถุชนเรานั้นไม่แน่นอนนางวันดีคืนดีเป็นมนุษย์อยู่ดีๆเผลอพลายบางเดียวตายปรับตกนรกกนรกหายไปเลยหรือบางทีก็ขึ้นไปสวรรค์หรือบางทีก็ก็ไม่แน่คือสรุปว่าไม่แน่เพราะมันยังขึ้นอยู่ในเหตุปัจจัยองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยในเกี่ยวกับการเกิดการสั้งสารวัตเรื่องบุญเรื่องขณะจิตก่อนจะดับเรื่องอะไรอีกมาก แต่พระโสดาบาั น, นั้นท่านท่านท่านลงตัวของท่านจะเกิดอีกไม่เกินเจดชาติถึงอาจจะชาติเดียวนะฮะพวกประเภทชาติเดียวนี่ถ้าเราดู้ที่ ท, าท่านอธิบายไว้มันชักจะดีกว่าพระริยบุคคลชั้นชั้นพระนาคามียคือชั้นสามพระนาคามีนี่ท่านต้องไปเกิดในพรหมโลกและพรหมโลกอายุนานจังจะไปนิพพานอยู่ในพรหมโลกอ่ะแต่ว่าถ้า พระโสดาบาันองค์นั้นท่านเกิดสวรรค์ทันนำต่ำหน่อยก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ก็บรรลุมากผลแล้วประการต่อไปท่านออทรงแสดงว่าสากายทิติวิจิกิจชาศีลััตตปรมาตอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทำเหล่านั้นนพระโสดาบาันละได้แล้วพร้อมด้วยญาณทัศนสมบัติอันหนึ่งพระโสดาบานเ น, พ, นพ้นแล้วจากบายทั้งสี่นะฮะไม่ทาอภิฐานห ก็สรุปวันนี้ว่าจากการราู้ญสติศรีของพระโสดาบันนั้นแม้จะประมาทแต่ไม่เกิดในภพที่สี่ไม่ใช่ไม่เกิดในภพที่แปดต่อไปก็คือสิ่งที่ท่านละได้จากการราูสส้ญาติศรีนั้นก็คือสกายทิทิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขามีพวกเรามีพวกเขามีพวกก้อย อะไรสตอสามัคคีอะไรอะไรข้าวเหนียวสามัคคีอะไรพวกนี้พวกสักายติติงั้นน่ะสกายติติหยาบหยาบแต่กิเลสหยาบหยาบบาปหนาหนาก็ไปแบ่งพักแบ่งพวกกันอย่างนั้นทีนี้สักายติมันลึกอ่ะมันลึกบางทีเราก็ดูไม่ออกเพราะเวลาจําแนกแส ด, แดงจริงๆสักายติมันมียี่สิบยสบกล่าวโดยสรุปนะฮะเข้าใจว่าเคยเคยผ่านมาทีางแล้ว เออถ้าดูปขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณในขันห้านี้เองเนะฮะจิตมันจะเหนี่ยวนึกว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราสี่อย่างเนี่ยฮะพอถึงเวทนาอีกสสัญญาอีกสสังขารอีกสี่บิญญาณอีกสี่ก็รวมแล้วว่าสี่ห้าก็ยี่สิบ ไอ้ถือว่าเราเป็นรูปนั้นหมายความว่าไอ้รูปกับเราเนี่ยตัวตัวรูปเนี้ยตัวรูปเนี่ยคือเราอ่ะหรือบางบางทีว่าถือว่าเรานันมีในรูปถือว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จิตอะเป็นเราพูดง่ายๆนะฮะพูดง่ายว่าถือว่าจิตเป็นเราหรือว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเรากลับไปกลับมากันนะเรามีในรูปนะหมายความว่า ไอตัวของเราในอาศัยอยู่ในรูปนี้หรือรูปอยู่ในเรานะในในคำว่าเรามีเป็นสภาวะเป็นตัวตัวเป็นตัวตวที่มันเดินทางเป็นมิญญานมันเดินทางไปโน่นไปเนี้่ไปเกิดไปอะไรเนี้ยก็แบบอะไรแบบความเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องอัตตาแยกมาจากพรหมมันแล้วในว่างว่างวันดีขึ้นดีก็ไปกลับอยู่รวมกับพรหมมันนะพวกสกายทิฏฐิงี้ยน่นนะ สกายทิติมันก็ละเมิดละหม่ึ้นไปเยอะเพราะงั้นในการละตรงนี้ได้แสดงโมหะมันจางไปเยอะเป็นกิเลสประเภทโมหะนะฮะพวกนี้ประเภทโมหะต่อไปก็วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจบางทีก็สงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะที่เต็มทีที่แย่ามากนี่กินข้าวแล้วยังไม่หรื อ, อยังไม่กินอย่างนี้ก็วิจิกิจฉาไปเรื่อยไปเรื่อยไป บางทีลงไปอาบน้ำเสร็จได้แเปลงฟันแล้วยังอันนี้ก็วิจิกิจฉานะมันก็อยู่ในพวกโมหะเรื่อยๆไปแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราจะเห็นว่าวิจิกิจฉามันก็เกิดกมันแยะเลยทีนี้ในชั้นที่โครงสร้างใหญ่ก็คือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิขาท่านอาจจะถามศาสนาอื่นศาสนาอื่นเหมือนกันนั่นะ อันนันอื่นก็เหมือนกันคือหมายความว่าสงสัยในองคศาสดาสงสัยในคําสอนศาสดาสงสัยในผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อคําสอนตามคําสอนสงสัยในระบบคําสอนก็คือกันนะ่ยแล้วก็สงสัยในชีวิตอดีตสงสัยในชีวิตอนาคตสงสัยในทั้งอดีตอนาคตสงสัยในกระบวนการของธรรมชาติอันนี้ก็รายละเอียดแย่นะฮะ แต่ก็รู้สึกจะเคยผ่านมาแล้วใ น, ในเรื่องกรรมฐานนะนี่ก็เป็นเป็นความสงสัยที่พระโสดาบันทันละได้แต่อย่างน้อยที่ลดหลั่นลงมาอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางเอที่ดาสาวนายช่างหุกนะฮะท่านเห็นว่าด้วยจเจริญกรรมฐานข้อเดียวนะฮะท่านรู้แน่อยู่อย่างนี่ยที่ยังสงสัยอยู่อีกสามอย่าง พระเจ้าถามออมาจากไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้หรือรู้รู้หรือไม่รู้ก็แสดงว่าไม่รู้อยู่สามรู้แล้วหนึ่งมาจากไหนคือก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนนี่ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ถามว่าไม่รู้หรือบอรู้ว่าตายแน่นั้นที่จะแสดงว่ารู้อันนี้งรู้ข้อหนึ่งแล้วก็แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่เนี่ยก็แสดงว่า ความมืดมันก็ลดลงไปส่วนเนือหอย่างเหลืออยู่สี่ส่วนแต่พระโสดาบันนั้นท่านไม่หวั่นไหวแล้วเพราะงั้นพระโสดาบันใครบอกว่าเอ้ยแกฉันจะให้แกเป็นประธานาธิบดีนะให้เป็นนายกรัฐมนตรีแกปฏิเสธพระรพุทธเจ้าฉันจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เอานะให้มหาเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาจะเอาไปฆ่าก็ไม่เอาอยก็อย่างที่อะไรนางธนัญชานีพรหมณีเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน ว่น้ำถือพรามเมยน้ำถือพุทธวันนั้นนางนางท่านันชานีไม่ว่าอะไรแนตะ่แกพลังพลังแล้วแกนโมตตะพกโตรเรื่อยวันนั้นสามีไปเลี้ยงพราหมณ์แกก็เกิดพลังปากนโมตตะขึ้นมาพราม์ก็น้อยใจว่าแหมมากล่าวสันเสริญคนอื่นต่อหน้าแกแก็ยกพวกกลับหมดเลยไอย้นักปวดนี่ยขี้อิจฉานะขี้ฤทิ์ยา ก็คือว่าอกิเลสเนี่ยมันแปลกนะฮะโยมจะได้โปรดสังเกตไว้อย่างนึงว่ากิเลสเนี่ยพระเจ้าสอนให้ละให้บรรเทานะฮะไม่สอนให้กดไว้กดไม่ได้กดกิเลสไว้ไม่ได้มันโปง่งมันโดยโป่งอีกด้านหนึ่งนอกจากว่ายังวิธีข่มที่เรียกธรรมะมันข่มไว้ขณะนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วต้องละเสแล้วต้องละออกไปถ้าเราไม่ไม่ละออกไปมันเป็นอุ ป, ปนิหาผูกโกรธน ะ, ะมันมันมันจะออกอีกรูปหนึ่ง พอพอเราเลิกข่มไว้มันก็กลายเป็นอุ ป, ปนิหะเป็นปลูกโกรธถ้าคืนไม่ละมันก็กลายเป็นอาฆาตกลายเป็นปัญาบาัตไปหายไปเลยเป็นมะเร็งในหัวใจพระเจ้าจึงสอนให้สัมรวมระวังสอนให้บรรเทาสอนให้ละสอนให้ดับนะสอนให้คลายไม่ไไม่ไม่ได้สอนให้ให้ใ ห, ให้ให้ไปกดเอาไว้พอกดไว้มันจะออกมาในลักษณะหนึ่งนะ นะอย่างเราจะเห็นว่าพวกขันทีของจีนเนี่ยฮะเราไปกดไว้อีกสายหนึ่งแกไปออกอีกสายหนึ่งออกลาบออกยศไปยื้อแย่งอานาจกันพว ก, กจีนในยุย่งยากที่สุดประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเพราะขันทีเอเอจับคนมาตอนนั่นเองคือความโลภะกิเลสสายโลภะสายราคะเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็ออกมาในสายเข้ามาไม่ได้มันก็ดัน อ, ออกมาอีกสายหนึ่งก็ราคะเหมือนกันนั่นแะแต่ก็เป็นลาบเป็นยศเป็นอำนาจเรื่องความเป็นใหญ่ดังนั้นวิธีของพระพุทธเจ้าจึงสอน สอนให้ดับให้ผ่อนคลายไปพิจิกิจฉาก็เหมือน ก, นกันก็สอนให้ผ่อนคลายบรรเทาระ ง, งับรับดับละอะไรก็ว่ากันไปศีลปฏตปรมาตคือถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติข้อนี้ท่านทั้งหลายได้โปรดทังเกตนะครับว่าอย่างหนึ่งเป็นเรื่องโมหะที่จัดจนเคยเล่าเรื่องโคขวัต ส, สุนัขวัตนะฮะวางวางตัวเรียนแบบโคเรียนแบบสุนัขอันนี้บ้าบ้ามากเลย แล้วก็บางทีก็อะไรย่างกิเลสบนฐานเพลิงนอนคลุกขี้เท่าอะไรแล้วก็เอาหัวลงยืนขาเดียวเอาเอาเล็บมาเอามือมากำจะเล็บงอกทะลุหลังมืออะไเนี่ยแล้วแล้วแล้วเออเอาเอาเท้าไปเหนียวไว้บนต้นไม้อแล้วตัวไปฝังไว้ในดินเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้นี่นี่นีเรียกมากไปมากไปทีนี้เออ ต่อมาก็มาเรื่อยๆจนถึงกับพิธีงมงายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในโมหะคือสายของโมหะรอย่าอย่าลืมนะเราพูดเรื่องพระริยบุคคลนะับโลกนี้มันอยู่ด้วยอวิชชาไม่ต้องห่วงคนถูกกวิชาทั้งนั้นแหละไอ้คนที่ด่าเพื่อมางม ง, ง, งายเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละเพราะว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันนะคนละวิชาไอ้คนล่าวิชาได้มีแต่พระอรหันนั่นนั้นเองเอ่อ จนถึงวัตถุวะเนี่ยพุทธโธเท่านั้นน่ยจะเป็นกรรมฐานหรสัมมารหังเท่านั้นอายุพหนอพองหนอเท่านั้นอะไรๆศีล พ, พระธรรประมาทอย่งนั้นเนี่ยถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันขลังต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นนะฮะเป็นสัจจังอภินิเวสะพุทธเจ้าใช้คกว่าสัจจังอภินิเวะอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมันโมหะแย่นะมันเห็นความจริงอย่นิดเดียวแตนเองเฉพาะที่นิว ที่ตาตัวเห็นนั่นเองปฏิเสธความจริงอื่นหมดเลยความมืดเยอะนะฮะใกล้ๆก็เราจุดเตียงซองเห็นแสงสว่างเฉพาะหน้าเราเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันตรงเนี้สว่างตรงอื่นไม่สว่างนั่นก็คือลักษณะของศีลับภัตตรมาเพราะฉะนั้นสีลับภตตาบรามาลึกมากเลยลึกมากบางทีเราดูแล้วใกล้ๆเออมันเป็นก็เป็นธรรมเป็นวินัยเนี่ยจช่นว่าพวกเรียนอนพิธรรมมาไม่เรียนอนพิธรรมไม่รู้ศาสนาเนี่ยเป็นศีรับพัตตาบรามาแต่โง่โง่หนักอะเรียนวิชาเต็มหัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในแง่ของพระโสดาบาันและท่านละได้มาแต่ว่าท่านไม่เดบิดติดนะฮะท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าพอท่านละได้แล้วไปจะ ด, ด่าสารพระภูมิด่าอะไรแต่อะไรไม่ท่านไม่ทําอ่ะเพราะนั่นวจีทุจริตก็เราต้องต้อ ง, ต, องต้องมองผลกระทบมาอีกเรื่อยๆว่าถ้าอาจจะไปร่วมในพิธีตั้งสารพระภูมิก็ได้พระโสดาบันนะไม่ว่าอะไระไปก็ไปนะเพื่อนก็จะตักข้าวบาดพระพุธก่อนก็ตักก็ตักก็ไม่ได้ว่าได้ คือไม่ได้ไปขัดคอคนน่ะท่านอยู่ในโลกไม่ติดโลกแต่ท่านก็ไม่ขวางโลกคือลักษณะเด่นนะฮะที่นี้ประการต่อไปก็คื อ, อาการละ ก, กิเลสได้เดี๋ยวมันพร้อมกับเรียกวิญญาณทัศนสมบัติคือทัศนสมบัติได้แก่อิญญ า, าเดี๋ยมันเกิดผุดขึ้นในระยสีเพราะเห็นระยะสี่เดีวมันเกิดผุดขึ้นเป็นแสงสว่างปั๊บก็เหมือนกับสว่างปั๊บมันก็มืดหายปุ๊บนั่นฮะมันลักษณะไหนงั้นพอวิญาณเหล่านี้เกิดขึ้น วิจิกิรช้ามก็หายไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปวิจิการศักยที่ทีวิจิกิรช้าสีรับปัสรมาส์นะก็หายไปทีนี้ประการต่อไปก็คือไม่ตกอบายนะจตุปาเยหิจะวิปมุตโตพ้นอบายทั้งสีไม่ตกอบายปัตถุบัตนจะเกิดจากมนุษย์เป็นต้นไปนะจากมนุษย์เป็นต้นไปแต่ไม่ไปเกิดแนรูปประโภคอะไรนะไม่ไม่เอาพวกนั้นมันเกิดนานนะเกิดเอ่อ ท่านเลือกเกิดของท่านได้อรัพระโสดาบันปกติท่านจะนิยมเกิดแถวดุสิตแถวดาวดึงนะฮะแถวแถวยามตรงสารชั้นเนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารนั้นเลือกเกิดจากตุมาราชมีเพื่อนอยู่แยะชาติก่อนอยังนึกคิดถึงพระพวกอยู่พระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระโสดาบันนะฮะตอนที่ท่านตายแทนที่จะท่านจะไปเกิดสวรรค์ทัานถึงท่านไม่เกิดก็เกิดเป็นชนะวสภายักษ์มีพระพวกบริวารอยู่ คือระลึกชาติได้นะฮะแล้วก็นึกนึกถึงปักบวกเปิ่นฟูกี่วันไปอยู่ร่วมกันอีกไปเลือกท่านเลือกเกิดกับท่านได้ท่านจะไปเกิดที่ไหนก็นอยู่กับท่านเพราะงั้นเราจะพบว่าพวกเหล่านี้ได้ชาญนะฮะพระยาบุคคลในท่านได้ชานแต่ท่านจะไม่ตายด้วยชาญไม่ตายด้วยชานถ้าตายด้วยชานก็ไปเกิดตามแรงของชานพระอรหันต์ทั้งหลายที่นิพพานได้ท่านเคยอ่านตอนพระพุทธเจ้านิพพานนะฮะ รพรพนนนะเจ้นิพพานพระเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานนะฮะพระเจานิพพานระหว่างฌานจากข้าวปตัตมมาฌานไปถึงฌานที่ 8, แปดนะฌานที่หนึ่งถึงที่8ดนะนับง่ายง่า ย, ง, ายงั้นกัะจากหนึ่งถึงแดแล้วก็จากแปดเจ็ดหสี่ห้ามามาเรื่อยมาถึงหนึ่งแล้วจากหนึ่งกลับไปถึงสจากสี่เจ้าช่วงสี่ถึงช่วงห้าเนี่ยพระองค์นิพพานตรงนั้นไม่ได้นิพพานในฌานเพราะถ้าไปเกิดตายในฌานมันก็เกิดเป็นพรหมตามลักษณะของฌาน พระรหันนิพพานนอกจากนะนิพพานนอกจานไม่ได้นิพพานในฌานพระโสดาบันก็เหมือนกันท่านท่านไม่ยอมเข้าสมาธิตายหารอกเพราะท่านั้นแล้วต้องไปเกิดในพรหมโลกโพรหมโลกเวลานนะ่ะเสียเวลาไปพักพอนะฮะไปนอนหลับพักพอกอย่างนั้ น, นก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรกันเท่าไรไปใช้บุญเก่าใช้บุญเก่าไม่ได้ทํางานพ้นอบายทั้งสีแล้วไม่ทําอภิฐานหก อภิฐานนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่คุ้นเคยหูนะอภิฐานคืออนันตเดชะห้กา 5, กับเขาเรียกว่าอัญะสัตทุเทพถือศาสนาอื่นเข้ารีศาสนาอื่นอนันตเดชรห้กรา 5, ก็คือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดนะฮะคือพระพุทธเจ้าเรานั้นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้จํานวนปัจจุบันเรียกคงกพันชาตรีนะฮะ บาลีตันช้คาว่าอภัทัศรีระเป็นสรีระที่ใครทําลายไม่ได้ใครจะ เ, เลือดพระพุเจ้าออกสยดเดียวไม่ได้นะไม่ต้องพูดว่าจับตึงไม้กางเขนอะไรแต่ไรไม่ต้องพูดทําอะไรไม่ได้คนทํากลิ้งหินเป็นก้อนมัล่มมัล่มมันทาอะไรไม่ได้มีสเกตหินมาถูกนิดเดียวตันเองนะเลือดพอพ อ, พอเป็นเลือดขึ้นมานั้นเองหมอจีวอก็ยาแปะสองสามชั่วโมงก็หายแนละ้วเลือดไม่ออกเป็นอภัทัศรีระ คนใครทำพระพุทธเจ้าให้บาดเจ็บขนาดเลือดช้ําเลือดนิดเดียอย่างเงี้ยอนัอนติกรรมเพราะคนขนาดพระพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์เหนือความบริสุทธิ์อะแล้วคนไปทําคนขนาดนี้ได้แสดงว่ามันเขียมเกลียมมันโมหะก็แยะโธสะก็แยะโลภะก็แยะคุ้มห่อจนมืดบอดในน่านสติปัญญาเทวดาพวกเทวดากลุ่มหนึ่งมีเจ็ดร้องค์ตอนพระพุทธเจ้าถูกสเก็หินนะฮะ ในส ก, กัดลิกสูตรในสังยุตตนิกายเทวดากลุ่มนี้ท่านพูดว่าใครคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตนสามารถทำลายได้ไอ้พวกนี้มีตาแต่หามีแววไม่จำนวนไทยนะฮะตั้งแต่ว่าจำนวนไทยก็มีตาแต่หามีแววไม่มันไม่รู้อะไรอ่ะจะมาเอาหินมากรี๊งทับพระพุทธเจ้ามันก็ท่มน้ําลายลดพระจันทร์อ่ะงโง่ใส่หน้าตัวเอง นี่ก็คืออนันตดิกรรมแล้วก็ทําสังกเภทคือทําสงให้แตกจากกันสังกเภทนั้นหมายความอย่างนี้นะฮะโยมนั้นไม่ต้องห่วงโยมไม่มีโอกาสทําสังกเภทแต่ว่าชาวบ้านยุพระให้แตกกันได้นะยุพระให้แตกกันได้แต่ว่าทําสังกเภทไม่ได้บาปกรรมนี้ผูกขาดไว้ตจำพรรษานะสองข้อหลังเนี่ยพระเท่า น, นั้นทําได้ทําสังกเพศหมายความเช่นสมมติเราอยู่วัดวอรเนี่ยฮะ วันดีคืนดีเราซ่องสมกันเจ็ดแปดคนตั้งแต่4องค์ขึ้นไปแยกออกจากวัดระวอนหรือว่าแม้อยู่ว่าในวัดระวอเนี่ยแต่ไม่ยอมร่วมสังกกรรมกับพระในวัดระวอเนี่ยก็แยกกันเป็นสองฝ่ายคล้ายๆกับพระสองวัดเลยไม่ยอมร่วมกิจกรรมอะไรกันหมดเลยไม่ยอมเคารพนับถืออะไรอะไรกันถือว่าเป็นสังฆเพทแยกอุโบสถแยกสังกกรรมแยกปภาวนาแยกรับกระถินอะไรเนี่ยเพราะงั้นพระทํากันเอง โยมอาจจะเป็นกองหนุนอยู่ข้างหลังก็ช่วยเดินตามทางไปตกนรกเป็นเพื่อนๆกันนะไปเป็นแถวๆเหมือนการลูกน้องพระเทวทัตไงพระเทวทัตนั้นตอนพระเทวทัตตกนรกนะ่ะมีโยมติดตามไปตั้งห้าร้อครอบครัวนะฮะโดยเป็นผู้รับใช้กันในนรกต่อไปก็คงไม่ได้ใช้กันนะครับต่างคนต่างก็ตกนรกก็ทำบาปตามๆหลังกันไปก็ต่อไปอภิฐาน ไม่ใช่อัญญาสัตว์ทุเทศนับถือศาสนาอื่นคือไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งทั้งที่ตัวยังเป็นภิกษุอยู่นะอย่างโยมนี่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรอะ่ะแต่มีขาดจากพระัตตนาใจมีนะฮะขาดจากพระัตตนาใจขาดจากพระรัตนตรัยนั้นมีแต่พระัตตนาใจอย่างชาวบ้านเนี่ยวันหลังก็พูดทางใหม่ก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรคือวิธีพุทธวิธีง่ายๆธรรมาดาธรรมาดาไม่ได้ไปผูกขาดอะไรแต่ถ้าบวชมาแล้วเนี่ย แสดงว่ามันทรยศนะฮะพักดีต่ะท้ายต่างด้าท่าต่างแดนมาบวชเป็นพระอยู่แล้วไปนับถือศาสนาอื่นไปไปเข้ารีดเป็นภิกษุคือจะศึกไป ไ, ไม่ว่าเลยนิมนต์เลยนะศะึกไปไม่ว่าอะไรแต่ถ้ายังเป็นพระอยู่ไปเดินห่มจีบออย่างเงี้ยทงทงไปเข้าวบสถคริสต์แล้วก็ปฏิญาณตนไปรับศีลบาปล่างบาปคริสต์แล้วก็อันญี้สาธุเทศนะบวชไม่ขึ้นนะฮะพวกนี้มีค่าเท่ากับพระประราชิกบวชต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เขาบาปรกรรมหนักพวกบาปรกรรมข้อห้ามบวชเนี่ยคนห้ามบวช1ิประเภทบวชไม่ได้เลยนะพวกข่า <c oughs> พ่อข้าแม่ค่าบราหารทั้งหมดเนี่ย้พวกพวกพวกพวกพวกอนนันตกรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าเนี่ยบวชไม่ได้ไม่ใช่อัเนี้ยทั้งหกเนี่ยบวชไม่ได้นะแล้วก็พวกเคยปทุสร้ายนางภิกษุณีมาเนี่ย บวชไม่ได้เกิเป็นประราชิคคราวบวชพระคราวก่อนก็บวชไม่ได้ห้าหมายสิบเอประเภทบวชห้ามบวชเด็ดขาดเลยต่อไปก็ก็จบลงด้วยด้วยเหมือนกันนะฮะว่าแม่อันนี้ก็เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ต่อไปท่านก็แสดงว่าพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้จะทำบาปด้วยกายวาจาใจาก็ตามคือว่าท่านสติท่านยังไม่สมบูรณ์่ะ อย่าลืมว่ไอ้สติไม่สมบูรณ์ไม่ใช่คาเสียหายนะฮะพระกนฺสติสมบูรณ์มีแต่พระอาหารหันตานั่นเองไม่มีใครหแล้วที่สมบูรณ์ะเพราะฉะนั้นเราก็ให้อาภัยกันได้ในเมื่อมีเผลอเรอ ม, มีพลั้งพลาดมีหลงลืมอะไร อ, อะไรไปนะฮะวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันก็มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าสัจจิตกะ ค, คือจงใจแสดงว่าทอย่างมีสติเลยฝ่างหนึ่งเรียกวาอ จ, จิตตกะ ค, คือไม่จงใจโทษไม่แรงลงทีนิดหน่อย แต่ว่าถ้าถ้าจะยกเว้นหมดเลยผมเผลอไปไม่จงใจเอาเสร็จเลยมันไม่มีระเบียบเพราะงั้นไม่ตั้งใจบางทีเนี่ยแสดงว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจมันก็ต้องมีโทษในการลงเอาไว้ด้วยเพื่อเกิดความหลับจําเพื่อเกิดความจำนึกแต่โทษไม่หนักโทษไม่หนักพระโสดาบันนั้นอาจจะทำบาปบ้างเคยมีปัญหาในสมัยพุทธกาลนะฮะคือเมียของพรานกุกุตมิตรมันก็แปลก อันี้รบหรึกเป็นรอยที่เราที่เราอธิบายพูดกับชาวบ้านไม่เคยเข้าใจท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะหนีตามผู้ชายมีพระโสดาบันองค์เดียวหนีตามผู้ชายเป็นเสียเหลี่ยมหมดเลยทีนี้ ท, นทีนี้ว่าทํำยังไงนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะนีนะฮะพระโสดาบันเนี่ยท่ละราคะไม่ได้นะฮะท่ละได้โมหะอย่างหยาบเท่านั้นเอง โมหะอย่างหนาตึ๊กเกลี่ยังอยู่ไปในใจเลยเพราะนัการหนีตามผู้ชายด้วยแรงดันของปุเพศนิวาสท่านเคยเป็นสามีพ ญ, ญากันมาก่อนเลยก็อธิบายได้นะฮะมีมีคนเดียวตนเองอยู่ในธรรมบทที่จริงไม่น่าจะเอามาบันทึกไวนะ้นะมันเสียงกันลําบากทีหลังเก็บเก็บไปมัเอามาบันทึกไว้ทีนี้มันมันมีปัญหานะฮะมีปัญหาที่จะต้องอธิบายกันมากเอ่อ แกก็เป็นเมียนายพรานนะฮะก็ต้องหยิบห อ, อกหยิบหลาหยิบบวงหยิบอะไรให้ส า, ามีไปฆาดสัตว์ต่อมานานนะฮะนานไว้แต่งไปมีลูกมีเต้ากันตั้งเท่าไหร่นะฮะลูกตั้งแปดเก้าคนนะทั้งหมดก็เท่าไหร่ลูกเก้าคนลูกหกคนเอ้ยไม่ใช่แปดคนทางสะพายด้วยก็เป็นสิบหกคนพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดก็บรรลุสโสดาหมดทั้งครอบครัวฮะ เออมีภิกษุก็สงสัยว่าว่าเป็นพระโสดาบันเราไปทํางินได้ไงไปหยิบเหล่าหอกเหล่าแหลนมาให้เขาฆ่าสาัตว์ได้ไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอหยิบตามหน้าที่แต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความคิดต่อไปว่าเ อ, อวันนี้พี่เอาหอกนี้ไปแทงฆ่าเนื้อไม่ได้มากๆเลยนะ <c ười> คือความคิดเอื้อมต่อไปนั้นไม่มีสามีฐานะความัญยาสา ม, า ม, ามีบอกให้หยิบนั่งก็หยิบหยิบนี่ก็หยิบส้องให้นั่งก็ทำ ก็ เ, เอามาถ้าสัตว์ยังไม่ตายท่านหมาทําอะไรสัตว์ตายท่านก็ทําคือว่าจิตมันหยุดฮนะจิตมันไม่ได้ปรุงไม่ได้เอื้อมทีนีไ้ไอลักษณะไม่เอื้อมเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าไม่บาปแล้วเรามาดูตรงไหนนะล่ะเรามาดูตรงข้ามมังสาวิรัตก็ได้ ว, ว่างๆนะฮะเราดูมังสาวิรัตเราจะเห็นว่าไอพวกที่คิดว่าไอพวกกินเนื้อกินสตัตว์บาปนั้นคือคือมันมันอะไรจิตมันเอื้อมจิตมันฟุง้งซ่าน เอื้อมออกไปมันไกลมูลกรณีเยอะเลยอย่างอย่างเนี้ยคนฆ่าสัตว์สมมติว่าคนฆ่าแล้วก็มาถวายเองนะฮะพระก็เป็นคนที่สองช่วงที่สองไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่านอกจากได้เห็นได้ยินรังเกียจสงสัยถ้าคนซื้อมาทำถวายพระพระอยู่ในจุดที่สฮะถ้าพ่อค่ามือสองมาถวายพระก็อยู่จุดที่สาถ้าผู้บริโภคคืออยู่ที่มือมือสพระก็เป็นกลุ่มที่ส ไกลกันลิฟนะฮะใจไม่เอื้อมใจเราอย่าไปเอื้อมกันเลยกันถ้าเอื้อมเรามันวุ่นถ้าเราไม่เอื้อมพระโสดาบันนั้นท่านคุมจิตของท่านได้ท่านทําตรงไหนแล้วถ้าก็ไม่เอื้อมเพราะแม้ราคาโลภะโทสะโมหะท่านไม่หมดนะแต่ท่านก็ลดลงแยะแหละลดลงแยะเพราะว่าการทําบาปตกกบายนั้นมันทําด้วยแรงโลภะโทสะโมหะที่แรงถ้าไม่ลดก็ต้องต้อ ง, องอยังตกกบายแต่ต้องลดแล้วจึงไม่ตกกบายได้ แต่จะไม่ปิดความผิดนะะมีข้อแม้อย่างคือไม่ปกปิดความผิดทําผิดเป็นสารภาพผิดเลยอย่างที่เคยเล่าฟังบอกพระสมัยก่อนเนี่ยท่านดีอย่างเนี่ยทั้งพระทั้งกะลาว่าท่านดีทําผิดอะไรบางทีก็แรงๆนะเพราะพระพุทธเจ้าถามแล้วสารภาพหน้าเฉยตาเฉยไม่มีปกปิดความผิดนฮะนี่ก็คือลักษณะที่เด่นเห็นความผิดเป็นความผิดพระพุทธศาสนาเราก็าแปลกฮคือ เรียกว่าปิดความดีเปิดความชั่วความชั่วของตัวเองมีเท่าไหร่มีหลักวิธีแสดงอบัตบอกบอกว่าผมได้ทําความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระองค์เลถามว่าท่านเห็นมันเป็นความผิดหรือเปล่าบอกเห็นว่าเป็นความผิดเอออย่งนั้นก็ตั้งใจสํารวมระวังต่อไปนะอนุกัตครับครับครับครับต่อไปก็ทํำผิดอีกอะ่ะทําผิดอีกแล้วเห็นเป็นความผิดไหมเห็นครับ เ, ออเห็นเป็นความผิดก็ตั้งใจทํารวนระวังต่อไปนะครับครับครับครับงทีก็แสดงบัตรกันนั่นเกย์มันมันมาก็แสดงว่าเราก็เปิดเผยความความชั่วนะฮะปกปิดความดีความดีไม่ให้อวดอวดปราบบัตความชั่วปิดไม่ได้ปิดปราบบั <c oughs> ตรเมื่อวันซืนเนี่ยมีหมอก็เป็นคริสนะฮะเขาพาสามีมาที่กุฏิมาคุยกันแล้วมาพูดถึงจุดหนึ่งเนี่ย แกบอกว่าเนี่ยเป็นความชั่วที่ต้องทําลายให้หมดเลยหมอที่เปิงคิดนะบอกคุณไปถามพระเจ้าคุณนําดันสร้างมันทาไมนะความชั่วแกก็บอกเออนี่นี่ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะแล้วบอกนี่พระเจ้าของคุณไอ้พระเยซูของคุณกับพระพุทธเจ้าของฉันมันผิดกันผิดกันที่แรงว่าพระพุทธเจ้าของฉันมันอยู่ยอดมนุษย์นะฮะมรร อยู่กับดินกินกับสายกับชาวบ้านก็าคุณมันอยู่กับดินกินกับสายแล้วดิ้นขึ้นมาอยู่บนยอดคนมันผิดกันตรงนี้พระเจ้าเราไม่มีตันหาคุณมันมีตันหาดิ้นล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นคือจุดที่ต่างกันต่างกันแรงมากเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์สภาพจิตกันได้พระโสดาบันเราพระอริยะบุคคลเรามีลักษณะอย่างนั้นนะครับคือ ออ พ, อ พ, อพอกิเลสจางแล้วเนี่ยตัวตนมันก็เล็กลงอะไรมันก็เล็กลงไม่มีื้อตัวที่ตั ว, ต ว, ต ว, ตวไหนเท่าไหร่เนี่ยก็ลงม า, ก, งมาก็ขี่กระจ า, าบ้านนะฮะกเศรษฐีอย่างนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาเป็นลูกสะพ้ยลูกสาวหาเศรษฐีถนนชัยนะฮะลูกสะพ้ยเศรษฐีมาคลอดลูกใครไม่ไปสนใจท่านลงไปทําคลอดเองอ่ะท่านลงมาทำคลอดเองกลางดึกลงไปลงมาทำคลอดมาคือคือเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ย ทั้งๆ ท, ที่เป็นทิดาของสกุลใจนะวววนวว พ, วพวกพวกพวกนี้พวกพวกครอบครัวนามิสาขาเนี่ยเขาเรียกว่าพวกพวกมีบุญห้าคนใน ก, กรุงราชคักขเนี่ยทราบเนี่ยมันนับไม่ได้บัณฑ์หนึ่งสองสามสี่นี่มันนับไม่ได้ไม่มีใครนับได้มันไม่มนมันมากมายกายกองอั น, นันตังคือคือว่าแยกครัวไปแล้วแม้แต่ว่าแยกจากเมธะกะเศรษฐีไปให้ทนนนชัยแล้วทน่นนนชัยแยกไปให้ลูกสาวอีกลูกสาวอีกนะฮะ ลูกสาวไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้มีบุญอย่างนับไม่หวั่นไม่ไห ว, ไหวรวยแต่อาก็ยิงตั้งก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดาคนๆนะฮะอยู่แบบคนๆไปโน่นไปนี้แล้วก็ใครมีงานมีการอะไรตั้งก็ไปของท่าน น, นี่ก็แบบพระโสดาบันอตัอตอตาทั้งเล็กลงไม่ปกปิดความผิดแล้วก็เป็นผู้มีทางนิพพานอันเห็นแล้วนะฮะ ค, คือคือคือคือว่าเป็นผู้เห็นนิพพานหรือถึงฝั่งนิพพานเนี่ยที่ว่า ต่อไปนั้นก็กลับมาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งว่าผู้ไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นคิมหะแห่งคิมหะระดูฉันได้พระบุญยาภาพเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมได้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมิอุปมาฉันนั้นแม้อนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าคือ เราจะพบว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมันก็เหมือนกับถ้าอุปมาแล้วก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดเบ่งบานในดูฝนนะฮะแตกช่อออกดอกในดูฝนแล้วก็พอถึงคราวเสร็จภารากิจของพระองค์แล้วพระองค์ก็นำธรรมะเหล่านั้นมาแสดงนำมาแสดงให้เกิดความอบอุ่น ไม่จะระดูฝนจะรูร้อนเนี่ยระดูนหนาวนะหนาวร้อนหนาวก็นำธรรมะเหล่านั้นมาแสดงแก่ประชาชนเพื่อประชาชนได้สัมผัสผ ล, ผลจากธรรมะเหล่านั้นดังนั้นการแสดงธรรมะที่ที่ที่เราสวดนะไอ้ไอัออออนี้มันมันลงตัวทุกทีเลยนิพพานาคามิงเบรมังฮิตายะนะครับ ก็เพื่อประโยชน์เพื่อกลูลอย่างสูงสุดคือพรนิพพานแต่ว่าเวลาทรงแสดงนั้นคนเราจะไปถึงนิพพานได้ทั้งหมดไม่ได้ท่านก็พูดแต่เพียงว่าอัฏฐาหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างที่เรามาให้ทานมาอะไรต่ออะไรนะฮะทำทำความดีทั้งหลายแล้วเราก็มาว่าอัมหากังลีกระตังหิตายะสุขายะ เือประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเขว่ากันไปแก่ญาติตั้งหลายมีมารดาปิดาเป็นต้นเลว่าไปเรื่อยๆสิ้นการลนานเถินอันนี้ก็เป็นการตอบสนองความต้องการของคนต่อไปแสดงสภาพพระอราหันต์นะฮะท่านท่านทั้งหลายสังเกตนะเวลาพระสวดพระจุดเทียนหน่อยเดียวแล้วมาดับเทียนอะ่ะสังเกตนะฮะจุดเทียนหน่อยเดียวแล้วมาดับเทียน แต่ก่อนนั้นที่จริงเรามีคาถาดับเทียนชัยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเราสวดมนต์เย็นแล้วก็เทียนต้องยาวๆนะฮะเพราต้องจุดไว้ตลอดคืนแต่รุ่งเช้าก็เรียกฉันเช้าหรือฉันเพลนตอนนั้นก็จะมาสวดพุทธชัยมงคลคาถาแปดบทที่เค ย, ท, เคยที่เคยบรรยายให้ฟังแล้วนะฮะแล้วจะมีคาถาดับเทียนชัยต่อมาสมัยสงครามโลกเนี่ยฮะไอตอนตอนตอนสงครามโลกในะเราเริ่มปรับเปลี่ยนกันนะฮะ ชาวบ้านก็ไม่ค่อยชอบฟังท่าไหรยพระก็ขี้เกียจสวดขึ้นก็พอดีนะฮะ ข, ขนมผสมน้ําย่าก็ไปกันได้อยู่กันได้ไม่เป็นไรขุปลาก็คนไทยคนไทยก็คนไทยอนิสัยก็ไปกันได้ในที่สุดเราก็มาตัดเรือหกบทนะฮะเรือหกบทบทบ ท, บทที่ว่ามาทั้งหมดตะกี้นั้นไม่ได้บทที่เราสวดนะไม่ใช่บทสวดสวดที่ว่าในวันก่อนนะคือบทสวด จะขึ้นมายังกินยิวิตังยิทวารางวานลัตษณ ะ, ะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นะขึ้นตรงนั้นแล้วก็มาจบบทบทสุดท้ายท่านจะเห็นว่าเอาเคลดนะที่จริงอธิบายคุณในลักษณะของพระอารหันต์เอาเคล็ดคาว่าขีน่นางปูรานังอลักษณะการถือเคล็ดเนี่ยก็บาลีว่าขีน่นางปูรานังนาวังนัททิสัมปะวังนี่พูดพระอารหันต์โดยเฉพาะนะฮะ ออกรรมเก่าวของพระยะบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่นัดที่สามผวางกรรมสมภพใหม่ไม่มีหมายความว่าพระอาราหันต์เนี่ยพอท่านบารรลุอาราหัตปั๊บนะฮะจากขณะนั้นไปจนจนข้างหน้านะฮะหมดกรรมที่เป็นเหตุสมภพใหม่ไม่มีกรรมช่วงตรงนี้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ช่วงในขณะนั้นไม่มีแต่ว่าอดีตกรรมยังมีนะฮะท่านตามมาถ้าหากว่าท่านยังไม่ตายพูดง่ายว่าถ้าท่านยังไม่ตายเนี่ย กรรมก็ตามมาทันได้ทั้งดีและไม่ดีอย่างที่ตามพระพุทธเจ้ามา ท, ท, ที่เล่าวในตอนต้นนะครแต่พอท่านดับขันคือดับทั้งกิเลสดับทั้งขันคือหมายความพูดง่ายว่าท่านตายอะ่ะแล้วก็จบหมดทั้งบาปทั้งบุญหมดเลยอดีตกรรมไม่ไม่ว่าในครั้งไหนก็หมดจะเป็นอาโหสิกรรมหมดอโหสิจริงๆจึ ง, จงอยู่ตรงโน้นนะครับอาโหสิจริงอาโหสิ ด้วยอรหัตตมรรคนั้นคือพออรหัตตมรรคเกิดปั๊บแล้วกรรมมันหยุดการกระทําทหลังจากนั้นเป็นกิริยาไม่เป็นบาปแต่บาปเรนไม่ต้องพูดรมันไม่มีกิเลสแต่ว่าไม่เป็นบุญนะไม่เป็นบุญอะไรเป็นศักดิแต่ว่ากิริยาเพราะบุญนั้นพูดเรื่องสังสารวัตรให้ท่านลองสังเกตว่าพอพูดเรื่องสูงเราไม่พูดเรื่องบุญบาปเราพูดเรื่องกุศลหรืออกุศลหรือกิเลสหรืออันสะวะหรือบารมีคำมันเปลี่ยนหมดเลย ถ้าพูดบุญบาปเราจะพูดเฉพาะสังสารวัตรเท่านั้นเองพูดสังสารวัตรและที่จริงจะพูดระดับสวรรค์ลงมานะฮะจากพูดจากระดับสวรรค์ลงมาพอพูดข้างบนเราไม่พูดแล้วมันมันพูดเรื่องกุศลนกุศลพูดเรื่องฌานพูดเรื่องสมาธิไปแล้วเลิกพูดแล้วเพราะมันเป็นบุญระดับทิ่ระณีตเป็นอภิสังขารที่เคยพูดเรื่องอภิชาอภเรื่องอะไรใต้ร่มโพธิญาณนะฮะเป็นอเนนชาพิสังขาร เป็นบุญเป็นเป็นบุญประเภทประณีตนะฮะบุญประเภทประณีตที่กําหนดพบไว้ตั้งแต่ก่อนตายก่อนตายเลยเราเราจะเรียกว่ากุศลเราไม่ไ ม, ไม่เขาเรียกว่าบุญนะ อ, อ่ะท่านบอกว่าพระยาบุคคลเหล่าใดมีจิตอันหนายแล้วในพบนะฮะนี้ก็เคยเล่าให้ฟังว่าพระญาบุคคลนั้นเวลาท่านโดยเฉพาะพระอาราหันต์นะคือสภาพจิตพอเห็นไตรลักษณ์ชัดเนี่ยไตรลักษณ์ชัด รู้สึกจะเคยพูดเรื่องรัฐวินีเตยสูตรรัฐวินีเตยสูตรที่พูดเรื่องพระปุณณามันตา น, นีแสดงรัฐวินีเตยสูตรกับพระสารีบุตรพูดเรื่องรถเจ็ดผลัดดูจะดูจะอยู่ในชุดกรรมฐานนะฮะจิตจะเริ่มคลายเลยเพราะเห็นนามรูปมันเกิดดับเกิดดับแล้วมันไม่มีอะไรเลย ม, มีอะไรเลย เ, เป็นคลื่นที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับไปแต่นั้นเองแล้วจิตใจท่านก็นหน่าย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนาสูตรนะฮะเริ่มว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายอริยสาวกพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายในรูปเวทนาทัณยตังการวิญญาณเมืนน่อนายก็คลายกำหนัดพระคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดฌานรู้ว่าเราหลุดพ้นเพราะนั่นทั้งคนนายในภพอนะท่านท่านท่านท่า น, า น, านไม่ต้องการภพแลนะ้จะเห็นว่าคนหน่ายในภพ บ, บางทีพวกนายในรูปนะพวกอารูปประพรมนี่คือพวกน่ายในรูปนะ เวลาแกเกิดแ ก, แกไม่มีรูปแกไม่มีรูปแกมีแต่นามเป็นขันสี่นะฮะที่โยงกรวดน้ํากันนะฮะมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่นี่ยบุญยศธิดาในกาตาตานี่คือท่านนายรูปมากเลยแล้วพอเกิดปั๊บท่านไม่มีรูปเลยท่านกลายเป็นเป็นเป็นน้ำเป็นกลุ่มนามทีนี้อย่างพวกอญญสันญาสัตาเนี่ยติดในความสงบสงบลึก นั่งข่าวสมาบัตัดับสัญญาเวทนานอนนิ่งเหมือนกระท่อนไม้พอตายเลยไปเกิดเป็นพรมลูกฟักไปกลิ้งตุดๆอยู่เลยไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นคือมันก็ดีคล้ายๆไอ้ท่อนไม้แต่มันลอยในน้านแล้วก็ถูกซัดขึ้นอยู่บนตลิ่งก็ไม่ถูกกระแสน้ําพัดไปนานนะตจาบท่าที่ก็อยู่บนตลิ่งเนี่ยแต่วันดีคืนดีน้ําเกิดท่วมขึ้นมานะฮะเกิดไอ้พายุโซนร้อนใต้ฝุ่ น, นะอะไรมามก็พัดๆลงไปหลายหลายอีก นี่ก็คือแบบสงสารวัตรมันก็แบบย่อๆอย่างไงี้ยนะฮะจาลองภาพเล็กๆมาอย่างนั้นทีนี้ท่านหนายในภพท่านจึงไม่มีภพนะฮะไม่มีเกิดภพอย่างที่บอกว่าแล้วมันพูดถึงภูมิจิตนะมีภูมิสแต่ภพสามรเรียบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้อีกแล้วพืชคืออะไรคือตันหานะฮะตันหาสินเนหังตันหาสินเนหังตันหะตันหานั้น เ, เอเอ วิญญาณนางวิญญาณังบีสังวิญญาณนะฮะมันเป็นพืชแต่ที่นี้พืชมันก็ประกอบด้วยกิเลสประกอบด้วยกรรมนะฮะมันก็หมดสิ้นมันไม่งอกไม่งอกเพราะงั้นพอเห็นรูปมันไม่มีรักฮะเห็นรูปไม่มีโกรธเห็นรูปไม่มีรักไม่มีโกรธเห็นรูปก็เป็นรูปอย่างพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พอเห็นปั๊บมันก็สัตว์ที่ควรแก่การกรุณา สัตว์โลกที่ควรแก่การกรุณาท่า น, นั้นในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้านั้นเราเราอยู่ในทะเลทุกๆคนนีอยู่ในทะเลทุกทุกคนมองจากจุดสูงสุดของพระพุทธเจ้านะตรงอุปมามันก็คนยืนบนยอดภูเขามองมาคนข้างล่างเนี่ยฮะคนอยู่ข้างล่างเนี่ยคนพร้อมที่จะเป็นอันตรายท่านั้นฮะเพาอยู่ในที่ต่ำเป็นการมองจากจุดสูงสุดตอนนั้นอารมณ์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลาย เราไม่ต้องดูนะครับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไทรจะป่านิครุษที่เคยพูดเรื่องใต้ร่มโพธิญาณนะฮะนางตาัณหานางราคานางนาตีมายุ่ยยวนอันนี้ก็ก่อให้เกิดราคะราคะข้ามให้เกิดพยายามมาขูจาขา่จะฆ่าจกฟัน ก, ก, ก็ก็เฉยเฉยคือไม่มีไม่มีความสะดุ้งในสัตว์ผู้สะดุ้งไม่มีความกำหนัดในสัตว์ผู้กำหนัดแล้วก็อยู่ท่ากลางนะฮะอยู่ท่ากลางมานั่ง น, งนงปน ป, นปนกันอยู่เนี่ย นั่งปนๆกันอยู่กับพระไอพระที่เป็นปุตตุชนก็นั่งใกล้ๆ ก, กับพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมูสัตว์ที่ยังสะดุง้งไม่หวั่นไหวในหมูสัตว์ที่ยังหวั่นไหวอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะฮะพระอรหันต์ก็เหมือนกันพวกนี้เขาเรียกว่าอาชาอาชานัยอาชานใน เป็นสัตว์ที่ฝึกมาอย่างดีแล้วนะฮะเป็นสัตว์โลกที่ฝึกมาอย่างดีแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็แบบคนๆ น, นะไม่มีใครมาโดนบันดาลให้หรอกเราฝึกมางั้นงอกไม่ได้คความยินดีก็ไม่มีความยินได้ก็ไ ม, ม่ไม่งอก เ, อเป็นผู้มีปัญญา ย่อมปนิพานเหมือนพระที่บรรดาบไปฉะนั้นตรงนี้ตั้งตั้งเคสังเกตเกนะฮะนิ บ, บันติทีรายถายำบดีโปนะฮะพระก็เริ่มจ่อเทียนนะจอ่จอจ่อเทียนดับเทียนเสร็จแล้วพอนิ์ตรงนี้นิบนิบเรียบประดับนะนิ บ, บันติทีรายถายำบดีโปก็จุม่มแผกที่จริงไม่เก็พูดเรื่องนิพานพระอราหารนะันต์นันแะไม่ได้เกี่ยวอะไระว่าไดถือเครดฮนะถือเครด เ, เพราะงั้นไอ้ถือเครดเนี่ยยังคาถาศูนฝีที่คนเป็นฝีเนี่ยนี่จะบอกกาถาให้ตรงสามบท คาถาที่คนเป็นฝีก็ศูญฝีเนี่ยเขาว่าไงฮะเอาคาถาไ อ, ไ, อไอ้พินทุผ้าทําเครื่องหมายผ้าจุดจุดจีวรผ้าเนี่ยอีมังพินทุกระปังกระโรมิ อ, อปูนปู น, ป, น, ป, นปูนกินกระหมากเนี่ยมาวงที่ฝีเนี่ยสามรอบตอนเช้าหายฝียุบและคนที่เป็นป้างคนที่เป็นป้างอะไรที่มันเสียดเวลาวิ่งนะเหนื่อยนะฮะอันนี้เขาก็เอาคาถาอะไรบทอะไอุคตตขิตะคัก กิตะขักคมติหัตตะสุทารุนันต่างทเนี่ยภาวนาแล้วเป่าลเอาเอ า, เอาไม้ไอไอไอไม้ติพิกะอะฮะลงไฟลงไฟแล้วก็ามาเช็ดให้มันมันอุ่นหน่อยนะฮะพออุ่นอุ่นแล้วผ้ากดตรงไงสามมือหายคาถานี่ไม่มีฮะมันเอาเคร็ดจากถ้อยคำนินดนนั่นเองเกล็ดจากถ้อยคำเพราะาปฏิสังขายโยเช่นว่าเกิดคันเกิดไอไอะไร เกิดไอ้ไอ้นอนมีพิษอะไรเนี่ยฮะนอนมีพิษติ้มติ้มต้มาเกิดคันนะฮะเกิดคันเราก็เอ า, เอาขี้พึ่งหรือเอาแป้งแป้งมาถึงก็คลุกแล้วปฏิสังขายโยปฏิปัดปัดเครดไทยเฉยๆปฏิสังขาโยนนิโสที่พระเขาพิจารณาอาหารนะฮะคาถาแล้วนี่ยเมันอยู่ในไอส้สวดมนต์เนี่ย ส่นมนทรี่ที่พระเปส่นมนที่บ้านนะเยอะเลยนะคาถาที่ชายอยู่ในวงการยุทธจักรทั้งหลายเนี่ฮะพวกนี้งั้นอนะ่ะแต่มันถือใช้คำามาเครสนะครับเป็นเครสเอาวันก่อนไอ้ไอ้ใช้คำเนี่ยคำนะมีอาจารย์ใหญ่กรรมฐานคนหนึ่งนะดังอยู่มากคนเนี้มีคนก็มาบอกว่านิพานนะไม่ศูนย์หรอกนิพานไม่ศูนย์เพราะวันศูนย์ยังถ้าศูนย์โยละศูนย์จริง มาขวารอจนแหม่แย่เลยยังในยังในยังภาษาไทยนะฮะโยนะยังในยังคือว่ายอแหมอากาศงอย่างอ่ะแต่ว่ายังที่ทรงชายบรยอผู้หญิงไอ้จุดนี้กะหิตอยู่ข้างบนอ่ะศูนย์ยังแปลว่างแปลว่าศูนย์นะฮะแปลว่าไม่มีท่านบอกถ้าโยแล้วก็ศูนย์จริงถ้ายังแล้วก็ไม่ศูนย์นะดูทลาลอธิบายธรรมะทลาลนอกเรื่องนอกราว ไอ้สุนโยมันก็เป <laughs> ็นปุงลิงสุนยางอ่ะสุนยางเนี่ยมันนิบานนางนะนิบานางมันเป็นนปุงสกัลลิงเพราะงั้นเมื่อวิเศษชนะของนิพานมันก็ต้องเป็นสุนยางอะนิบานนางก็สุนยางไงไอ้นิบดิบนิบานโนก็สุนโยไอ้เต่นิบานโนมันไม่มีตะขีนาสโวมันก็สุนโยนะฮะขีนาสวมันก็สุนโยอาหารเนี่ยฮะธาตุอาหารเนี่ยมันก็สุนโยสุนโยถ้าเป็นปุงลิงมันก็สุนโยถ้าเป็นอิทธิลิงมันก็สุนยาเป็นนปุงกลิงมันก็สุนยาง แต่เอกวัจนะมันเรื่องภาษาบาลีอ่ะเฮ้ยมันก็สนุกดีอย่นงเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้เคร็ดเอานะนิพพินติทีรานิพบันติทีร า, บบรายาถายมบดีโปให้ดับไปเหมือนประทีปนะฮะไอเกเรตี่ดับไปเหมือนประทีปที่ดับดับโดยไม่ไม่รู้ไฟมันดับหายไปไหนทีนี้เราก็ว่าให้ทุกสุกโรคโรคภัยที่โยมเขาขอร้องให้หายนะดับไปเหมือนกับประทีปที่ดับไปหายไปคนละเรื่องกันมาจริง กันละเรื่องแต่ก็ฟังกันได้นะฟังกันได้แบบอธิษฐานทีนี้ต่อไปก็เวลาเราพูดที่เราพูดกับเทพก่อนนะครมีคําอยู่แปลกจะคํานึงยานีตะผูตานิสมากตาณิขึ้นใหม่นะฮะขึ้นมาอีกทีนึ่งขึ้นหัวแวน่นอนแล้วบากลับมาขึ้นที่หางอีกทีนึงยานีตะผูตานิสมากตาณิภุมมานิวายานิวันตัลิเขสเปวัปูตาสุปนาภวันตุ คือแทพทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ประชุมกันในอะไรอนนี้พพทนที่ประชุมกันในที่นี้ก็ดีนะฮะในอากาศก็ดีในอะไรที่เขาเชิญตอนแรกอะตถากตังเดวมนุสปูชิตังนะเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วอย่างนั้นผู้อันเทพบดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมี ไอตาถากตังเดวมนุสปูชิตังพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอย่างนั้นนะฮะตถาคดเนี่ยตถากระตตตถาคตเนี่นแปลแปลกนะฮะแต่ว่าแปลจริงๆพระบาลีท่านแก้ไปแปดอย่างถ้าแปรรูปศัพท์แล้วแปลกมากเป็นประสัพนามนพุทธเจ้าท่าเรียกพระองค์ความหมายจริงๆคืออะไรนะฮะพระตาถาจารย์ท่านก็อธิบายเอ ง, เองนะฮะท่านรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่นี้มันก็แปลกที่ว่าถ้าแปลรูปศัพท์แล้ว ตาถาอาคตะแปลว่ามาแล้วอย่างนั้นหรือว่าตาทาตถาคตะแปลว่าไปแล้วอย่างนั้นเพราะว่าไอ้คาว่าตาถาเนี่ยเมื่อมันมันอาจจะมาสนทิกับอาคตะก็ได้มาสนทิกับคตะก็ได้ตะอาคตะแปลว่ามาท่าคตะแปลว่าไปมาสนทิกรเป็นตถาคตะแปลวมาพูดเป็นไทยไทว่ามาอย่างไงไปอย่างนัมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้น เพราะงั้นอันนี้คำนี้ปนแปลกมากว่าพระพุทธเจ้านั้นพระตถาเอพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอย่างนั้นพอถึงพระธรรมอีกเรียกเชิญเทวดาเหมือนกันนะฮะพระธรรมผู้มาแล้วอย่างนั้นก็าใช้คําว่าตาถากตังเทวมนุษสปูจิตังธรรมังนมัตซ่ามสุวัติคนตุพระธรรมอันพระธรรมอันมาแล้วอย่างนั้นซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วพระสงฆ์อันมาแล้วอย่างนั้น ซึ่งก็หมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นมาโดยวิถีทางเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระพุทธศาสนานี้บำเพ็ญเพียรสัตสรูบรรลุอรหัตเหมือนกันหมดเลยทุกองคเ์เหมือนกันเขาเรียกว่าพุทธประเพณีพระธรรมมาแล้วอย่างนั้นพระธรรมเกิดขึ้นมาจากการสัตสรูพระธรรมนั้นมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นธรรมทิติธรรมนิยามธรรมดาเข้ามานะ่ะพระพุทธเจ้าสัตสรูขึ้นมาก็ปรากฏแก่โลกไม่แัตยรุมก็อยู่ก็มันอย่างนั้นประสงค์ การเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ของพระกัจจปะธรรมาธรรมพุทธเจ้าพระโกนาคมพระสิกีพระเวสสภูพระอะไรอะไรมาอย่างนั้นเป็นด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นด้วยสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยญาญาปฏิปันโนสามีเิปฏิปันโนยมใครใครก็ตามเป็นอย่างนั้นเป็นทางเดียวกันฮเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองเป็นเหมือนกันหมดเลย พระสงค์สมัยพุทธกาลเป็นยังไงสมัยนี้ถ้าถึงจุดนั้นจุดเป็นพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกันอีกล้านปีไปข้างหน้าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นี่นี่คือคือคําที่แปลกมากว่าใช้คำตะถากรต่างเหมือนกันตะถากรต่างเหมือนกันเป็นวิเศษนะของสังข์ังนะฮะประสงค์ผู้มาแล้วอย่างนั้นพระธรรมผู้มาแล้วอย่างนั้นพระพุทธผู้มาแล้วอย่างนั้นคือเป็นสภาพที่เป็นอย่างที่เป็น เป็นอย่างที่เป็นทีริความละอายต่อ บ, บาปแกชื่อยังไงก็เป็นอย่างนั้นสมมุติว่าแกเรียกภาษาอังกฤษเรียกอย่างภาษาจีนเรียกอย่างคือจิจจตสํานึกที่มันเกิดขึ้นแล้วรังเกียจบาปละอายบาปแล้วไม่กระทาบาปนั่นคือสภาพที่เรียกว่าหีดมันเป็นอย่างนั้นเองอาจจะเกิดที่คนนับถือคริสต์อิสลามก็อยู่ในป่าแอาฟริกาอยู่ในอะไรก็ได้นี่คือธรรมะในพ ร, ร, ระพุทธศาสนา เราจะเห็นว่าเป็นเป็นอะไรเป็นบล็อกที่สําเร็จรูปกลายเป็นบล็อกสําเร็จรูปอ่ะคือคือคือว่าเราจะเอาไปหล่อที่ไหนล่ ะ, ะแบกไปหล่อที่สารัฐไอ้รูปมันก็เป็นอย่างนั้นนะนอกจากขึ้นไปสู่ยานอวากาศอะไรน้ําหนักน้ำเหนื่อะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปไหนในที่สุดนะฮะก็จบลงด้วยคาถาตรงนี้แต่ว่าคาถา3ามข้อนี้หลวงพ่อองค์ไหนที่ท่านเจาะ ชอบชอบเทวดาหน่อยท่านก็นสวดนะแต่ท่านไม่ชอบท่านท่านท่านท่า น, านถือว่าสวดกันมาแล้วก็ไม่สวดในที่สุดจบพระธรรมเทศนาจบเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าอยู่เทศนานอยู่เทศนานคนแห่โลแห่กันมาอย่างที่เคยเล่าฟังนะฮะเพราะคนอินเดียนั้นเป็นมนุษยชาติที่พิเศษนะคือเป็นนักพูดชั้นเยี่ยม กฤษณาเมนนอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินเดียสมัยเนรูผู้ตีองการสาธาระชาติคนเดียวแปชั่วโมงมาหยุดเลยอันคือนักพูดนักฟังชั้นยอดฟังไม่มีขยับขยื่นไปไหนเลยนะฮะกั้นอุจจาระภาษาว่านั่งฟังเนี้ยะความชั้นยอดพรานยอดทุกยอดและขี้เกียจก็ยอดนะฮะรวยก็ยอดเป็นยอดอินเดียนะเป็นยอดประกอบมาอะไรกัอยู่เนี้ยยอดฮะทุกยอดอินเดียอยู่ทุกยอดเลย นักพูดชั้นยอดนักฟังชั้นยอดพอรู้พระพุทธเจ้ามาสเสด็จมาเป็นแห่กันมาฟังพระพุทธเจ้าก็ตั้งเทศเย wright, อะแยะคนสําเร็จเอะคราวนั้นก็สําเร็จมากแล้วแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็หายไปเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เราถือเป็นพระสูตรพิเศษมีอานาแพร่ไปทนายบางท่ น, นก็ว่ากันนะครเราต้องสวดทุกงานที่เป็นมงคลนะฮะเพื่อให้เกิดมงคลแกยโยมทั้งหลายแต่ปกติโยมไม่ค่อยรับกันนะไปวิ่งวุ่นวัน่นอุ่นวายทำอะไรไปด้วยจะภาพะ เลยไอ้สีไอ้พอมันหล่นเนี่ยราดอยู่แต่นั่นหมดเลยเลยก็ไม่ค่อยจะเป็นมงคลที่จริงก็ตั้งใจจะเป็นมงคลดูวันนี้ก็จบเด้วยเวลาถึงทนันทีนะฮะที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัว ก, การทุกท่านเถอ